บัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเจตนาเพื่อสดับสติปัญญาบารมีของสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในเบื้องต้นได้มีการไหวพระบูชาพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วได้อารัตนาศีลสมาทานศีล เป็นเครื่องรักษากายวาจาและใจแนวไดอารัตนาธรรมเพื่อจะได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาเป็นเครื่องสดบสติปัญญาสาธารณชนพุทธบริษัททั้งหลายฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสาคัญของสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่ทับถือพระพุทธศาสนาจึงมีกิจกรรม ได้จัดมีการแสดงพระ ธ, ธรรมเทศนาเป็นชมรมของดีโอทีก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลบญยาลาศีที่ได้จัดกิจกรรมอันนี้ขึ้นเพื่อเป็นการจันรลงพระพุทธศาสนาชักชวนประชาชนผู้สนใจผู้ใครในธรรมเพื่อมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติ ในการเจริญสมาธิภาวนาฉีนั้นต่อนนี้ไปขอให้ศรัทธาญาติโยมทุกท่านจงสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจกำหนดจิตพิจารณาอาณาปานสติคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเอาเป็นสระนะเป็นที่พึ่ง ในการภาวนาจิตของเรานั้นจะสงบไม่สงบก็อยู่ที่การที่เราจะควบคุมอารมณ์ของจิตในการภาวนานั้นจิตเป็นตัวสำคัญจิตเป็นตัวรู้รู้ทุกสิ่งรู้ทุกอย่างรู้ดีรู้ชั่วรู้ไม่ดีรู้ไม่ชั่วในการกระทาของเรานั้นจิตเป็นนาย กายเป็นเบาจิตรู้แล้วจิตมีความสนใจจิตจะไปตรงนั้นจิตจะไปที่นี้กายก็ไปตามที่จิตรเราต้องการเช่นขณะ น, นี้เวลานี้พวกเราทั้งหลายได้มารวมกันณนะห้องประชุมตรงนี้เพื่อจะได้ ป, ปฏิบัติในการเจริญสมาธิภาวนาก็เพราะจิตของเรานั่นแหละ เป็นตัวรู้เป็นตัวบง่งเป็นตัวบอกกายเราก็ทำจาจตามที่จิตต้องการที่นั้นเมื่อเรามารวมกันแล้วก็ขอให้สํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจกำหนดจิตพิจารณาอาณาปานสติให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกปล่อยละวางหน้าที่การงานชั่วระยะหนึ่งที่ เรามีเวลาที่จะฟังธรรมประพฤติปฏิบัติจเจริญสมาธิภาวนาก็ขออนุโมทนาให้ตั้งจิตพิจารณาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราดันแหละไม่ต้องไปดูอะไรที่ไหนการกระทำนั้นจิตจะสงบหรือไม่สงบก็อยู่ที่ตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ใครที่ไหนจิตของเรานั่นแหละสําคัญที่สุด การประพฤติการปฏิบัติจะทำได้หรือทำไม่ได้ก็อยู่ที่จิตของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนจิตนั้นเป็นตัวสำคัญในการประพฤติในการปฏิบัติฉะนั้นเราจะต้องดูควบคุมอารมณ์ของจิตเอาไว้ให้อยู่ในเวลานี้ขณะนี้เราทำอะไรให้เราใช้สติใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา สำรวจตัวตาดูจิตของเราเมื่ออยู่ในคําที่เรากําหนดหรือไม่เรากําหนดว่าพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วมันอยู่กับตรงนี้หรือไม่เราก็ต้องดูที่จิตของเราตัวเรานั้นสำคัญที่สุดเราโดยสมมุติว่าตัวเราของเราที่จริงแล้วเราไม่มีตัวไม่ใช่ของเรา เราหาตัวไม่เจอที่เราเรียกว่าตัวก็โดยสมมุติรวมๆกันอาการสามสิบสองมาชุมนุมกันเราจึงเรียกว่าตัวเรียกว่าตนจริงๆแล้วมันก็ไม่มีเราหาตรงไหนก็หาตัวไม่เจอชี้ไปตรงไหนก็ไม่เห็นใครเรียกว่าตรงนั้นตัวตรงนี้ตัวชี้ไปแต่ละที่ก็เรียกแต่ละอย่างชี้ไปตรงส่วนใดก็เรียกตรงส่วนนั้นที่นั้นเราจึงหาตัวหาตนไม่ได้ ตัวตนนั้นเป็นได้โดยสมมติเท่านั้นสังขารร่างกายอันเนี้ยที่เรามีชีวิตอยู่ได้มีลมหายใจอยู่ได้มีหน้าที่การงานไปทำงการงานได้ก็เพราะธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟได้ชุมนุมกันอยู่พอรับไขปลองดองกันอยู่เราจึงมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเราขาดธาตุทั้งสี่นี้อย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็จะหามีชีวิตยอยู่ได้ไหมฉะนั้นสิ่งสำคัญสังขารอันนี้ล้วนเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่เจตัวไม่เจ่ตนของเราล้วนเป็นของสุปกของเน่าของเปื่อยของเหม็นของโสโครกไม่มีอะไรที่สวยงามตรงไหนเลยเราเป็นนักปฏิบัติสนใจล่ต้องพิจารณาให้เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ปรง่งเพื่อปรงจิตโปรงใจของเราให้ยอมรับในสภาพ ของความเป็นจริงเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราใน พ, พระพุทธศาสนาเป็นสเสจธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจา้จานั้นท่านสอนเรื่องจริงสอนของจริงบอกของจริงแต่ว่าเราจะเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติหรือไม่อยู่ที่ตัวเราทุกคนนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ใครที่ไหนอยู่ที่ตัวของเราให้เราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณา ให้รอขคอบว่าสัจธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นที่ท่านสอนไว้เป็นความจริงหรือไม่ให้เราใช้สติปัญญาพิจารณาก่อนที่เราจะนำเอาไปใช้เอานำาไปปฏิบัตินั้นให้เราใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจเห็นว่ามันเป็นของแท้ของจริงเราจึงนำไปใช้เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้า สั่นสอนทุกคนในทําความดีให้ละความชั่วสองอย่างนี้จะเป็นสิ่งสําคัญถ้าเราทําแต่ความดีเว้นจากความชั่วเราก็จะประสบความสุขความเจริญทั้งในหน้าที่การงานทั้งความเป็นอยู่ในชีวิตก็จะแควคาดปราศจากภัยอันตรายถ้าเราทำสิดตรงกันข้ามเราก็จะมีแต่ความทุกข์ หาความสุขหาความเจริญไม่ได้ฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็อยู่ที่ตัวเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนว่าเราจะยอมรับทำไปใช้เอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรือไม่ก็อยู่ที่จิตใจของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ผู้ใดผู้หนึ่งทุกคนต้องการความสุขทุกคนต้องการความสงบทุกคนอยากนั่งสมาธิภาวนาเราก็ต้องทา ตามที่จิตสองเราต้องการภาวานาก็ให้ตั้งใจภาวานาปล่อยละวางสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราได้ผ่านมาแล้วตั้งแต่เช้าเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะมาทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นเราตั้งใจจะทำอะไรก็รขอให้ทำตามที่เราตั้งใจตามที่เราพอใจ แล้วก็ทำอย่างจริงจังชั่วระยะเวลาไม่มากนักก็ขอให้ตั้งใจทำแล้วเราจะประสบกับความสาเร็จในการที่เราทำนั้นอย่างน้อยจิตเราก็สงบอยู่กับคำวริกรรมภาวนาที่เราได้กำหนดขึ้นรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาตรวจจาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น ล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาหาตัวหาตนไม่ได้เราเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเป็นสิ่งสำคัญเป็นสัตว์ผู้ประเสริฐมีความรู้มีความสามารถความเฉลียวความฉลาดนั่นอยู่กับตัวของเราด้วยกันทุกคนถ้าเราไม่มีควารมรู้ไม่มีความสามารถเราก็จะต้องลำบาก เพราะความรู้นั้นเป็นสิ่งสําคัญเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัยพย์พภายในทุกคนมีความรู้เอาความรู้นั้นมาหาทรัพย์ภายนอกคือเรามามีหน้าที่การงานทํานั่นเราก็มาหาทรัพย์ภายนอกยันทรัพย์ภายในจึงเป็นสิ่งสําคัญพราะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัยพย์อันประเสิดทรนะัพย์ภายในนี่เราไม่ต้องกลัวเรามีความรู้เท่าไหร่จบมามาก สูงมากแค่าหขนาดไหนก็ตามก็เป็นของเราทั้งหมดเราไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนอื่นมาแยกมาชิงเอาความรู้ของเราไปไม่มีไม่มีใครสามารถจะเอาของเราไปได้นั้ น, น, นจึงเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นอริยทรัพย์ส่วนทรัพย์ภายนอกก็เราก็ได้มาจากทรัพย์ภายในเพราะเอาความรู้นี้แหละไปใช้เอาไปทำให้มันเป็นประโยชน์เราจึงได้สิ่งตอบแทนคือได้ทรัพย์ภายนอก ที่อยู่อาศัยคือได้ปัจจัยสี่คือเครื่องนุ่งหม่มอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคนี่สี่อย่างนี้เป็นปัจจัยสี่ที่เราใช้กันเป็นประจำใช้กันตลอดทั้งวันทั้งคืนคือเครื่องนุ่งห่มนี่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาเรานุ่งห่มเพื่ออะไรไม่ได้หงนุ่งห่มเพื่อความสวยความงาม นั่นถ้าเราคิดอย่างนั้นนั่นไม่เป็นมูลและกำบันฐานเรายึดติดในความสวยความงามพระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาที่เรานุ่หงห่มนั่นเพื่อปกปิดอวัยวะร่างกายของเราไม่ให้เกิดความละอายเพื่อปกป้องความร้อนความหนาวอย่างนี้เป็นต้นเพียร น, นั่นให้เราพิจารณาดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เราจาเป็นเราจะต้องพึ่งพาอาศัย อาหารเราก็ขาดไม่ได้เพราะเราเกิดมาก็ต้องมีอาหารเป็นเครื่องบํารุงร่างกายของเราเราจึงจะมีชีวิตอยู่ได้มีเลี้ยวมีแรงเพื่อจะทำหน้าที่การงานในทางสุจริตแล้วก็พิเศษ จ, จากนั้นเรายังมีโอกาสที่มาร่วมกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญสนาธิภาวนาถ้าเราขาดไม่มีอาหารบํารุงร่างกายเราจะมาพพิติปฏิบัต เราจะทาอะไรก็คงจะทําไม่ได้เพราะร่างกายอ่อนแอจะไปจะไปไหนมาไหนจะเดินจะเหินมันก็ไม่มีเลี่ยวมีแรงที่จะเดินฉะนั้นเราก็จะต้องบํารุงบํารุงนั้นให้อยู่ในมัธยีมาปฏิปาทาหือสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้าทานมากเราจะมันนัง่งเพราะว่านานนี้มันก็คงจะอึดอัดสลำคาญถ้าน้อยเกินไปจิตใจก็มันโหยมันหิว เพราะว่าอาหารไม่พอฉะนั้นเราจะต้องให้รู้จักประมาณในการบริโภคไม่มากและไม่น้อยแบบพงว่าสมาสมพุทรเจ้าท่านทรมานสังขารร่างกายเพื่อจะให้พ้นจากอาสวะกิเลสคือความโรคก็ดีความโกรธก็ดีความล้มก็ดีราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีพระพุทธเจ้าต้องการให้พ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่าเนี้ย พระองค์ก็ต้องทำนุบำรุงร่างกายของพระองค์นั้นให้สมบูรณ์ตามปกติธรรมดาแล้วก็ตั้งใจใบวิปฏิบัติจึงได้สำเร็จได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพาาระอรหันตะ์เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักความพอดีว่าอะไรควรอะไรไม่ควรให้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญายิ่งเป็นสิ่งสาคัญเราเป็นผูุชนคนธรรมดาแต่มีความใคร่มีความสนใจ ในสัจธรรมคําสอนคือในการประพฤติการบตบัปฏิบัติในการจเจริญสมาธิภาวนาที่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญชีวิตของเราครั้งหนึ่งที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราได้พบพระพุทธาศาสนาเราจึงนำหลักธรรมคาสอนขององค์วัดสมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติมาปฏิบัติในการจเจริญสมาธิภาวนา การกระทําอย่างนี้อยู่ที่ตัวของเราแต่ละท่านแต่ละคนไม่ได้อยู่ที่ผู้พูดอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละจะทําทได้ไม่ได้สงบไม่สงบก็อยู่ที่ตัวของเราคือจิตของเรานั่นเองเราต้องทําจิตให้ว่าปล่อยละวางสิ่งต่างๆทั้งหลายให้หมดมาพิจิตติพิจารณาดูสิ่งที่เรากําหนดนั่นให้มีสมาธิคือความตั้งมั่น ทำอะไรก็ให้ทําจริงจริงจังๆตามสติกําลังปัญญาที่เราจะทําได้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเมื่อเรามีชีวิตเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยคือสถานที่อยู่อาศัยก็เป็นสิ่งสําคัญคือเราจะต้องพักผ่อนร่างกายเราไม่ใช่ว่าจะทําทั้งวันไม่มีเวลาพักยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่อย่างนั้นเรามีเวลาทํา ง, งานสิบสองชั่วโมงคือเวลากลางวัน เจอกลงคืนเมื่อได้เวลาได้พักได้ผ่อนเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นได้พักผ่อนบ้างเพื่อจะได้ทําหน้าที่ในวันต่อไปฉะนั้นที่อยู่อาศัยก็ยิ่งเป็นสิ่งสําคัญเรามาหาเอาทีหลังทั้งนั้นเราไมาจะมีมาก่อนเรามาหาเอาทีหลังเฉ พ, า ะ, เพาะอาศัยอริยทรัพพายาย น, นั่นแหละมาหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาหารัพภายนอกคือสิ่งต่างๆที่เราใช้ที่เราสอยอยู่ประจําทุกวัน นี่เรามาฮะเอาทีหลังทั้งนั้นส่วนยารักษาโรคอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ทุกชนิดที่มีลมหายใจก็ต้องพึ่งพาสิ่งนี้คือยารักษาโรคนี้เป็นสิ่งสำคัญไม่มีใครเราที่จะไม่มเจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยจะเป็นมากเป็นน้อยเป็นด้วยกันทุกคนก็ต้องพึ่งยาเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ยาที่สำคัญที่ตรงกับโรคของเราที่เราเป็นนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อเกิดมาก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องไข้เป็นเรื่องปกติให้เราทําจิตทําใจของเราเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาไปตามอาการที่เราสามารถจะรักษาได้ที่อย่างนั้นเราเกิดมาเรามีอะไรมาเราไม่มีอะไรมากเรามาตุบเป่า เรามาหาเอาที่หลังทั้งนั้นยิ่งนั้นเราให้ใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นเมื่อเรามีแล้วเราพร้อมแล้วเราพอแล้วเราก็พอในสิ่งที่เรามีอยู่หรือเราเป็นอยู่เราไม่อาจจะคาดกัดสนเราไม่เดือดร้อนเราก็พอใจในสิ่งนั้นเราเกิดมาทุกคนเกิดมามีแต่ความทุกข์ไม่มีใครไม่มีความทุกข์ทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ในฉายก็ทุกข์ด้วยกันทั้งหมด ทุกเพราะความเกิดทุกเพราะความแก่ทุกเพราะความเจ็บทุกเพราะความตายนี่แหละองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นอันนี้แหละทำอย่างไรถึงจะต้องไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมันจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นแหละพระองค์จึงแสวงหามโมระธรรมคือตั้งใจปฏิบัติด้วยพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์6คนไหนเลยที่มาสอนให้ท่านนั้นได้สําเร็จ ได้พ้นจากทุกได้เป็นพระอระหันต์ไม่มีพระองค์สอนตัวเองปฏิบัติด้วยตัวเองทาด้วยตัวเองทุกอย่างจงเข้าถึงสัจธรรมคือความจริงถ้าไม่เกิดเราก็ไม่ต้องทุกข์ก็ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายเมื่อเราเกิดมาเราก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นจริงนะทุกคนต้องยอมรับถึงเราจะบนอะไรไปก็ตาม มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้ทำจิตทาใจของเราให้สบายดีกว่ามีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่อันนั้นเมื่อมีเวลาว่างเดิกจากนาทีการงานทางการทางการงานทางบ้านก็ตามเมื่อว่ามีเวลาเราจะมีโอกาสเราจะไหวพระสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการทำสมาธิเหมือนกันถนึงจะไปในนั่งภาวนาไหวพระสวดมนต์ก็ถือว่า ทำสมาธิทำจิตใจของเร า, าให้สงบแล้วครับช่วยระยะเวลาหนึ่งแม้แต่เปียงเปลียนเล็กน้อยเมื่อเราทำํำบ่อยๆทา ท, ท, ทุกวันทุกวันทําำนานๆมันก็เพิ่มทวีกูณขึ้นไปเองจิตใจของเราก็ย่อมสงบจิตใจเราสบายอืมหรืวมีโอกาสไหสว้พระสวดมนตเสร็จนั่งสมาธิภาวนาหนาทีสิบนาทียี่สิบนาทีก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่เวลาที่เรามีที่เราจะทําได้อยู่บ้านหลูกหลานหลับหมดแล้ว เรายังไม่ง่วงไม่หลับก็นั่งภาวนามันง่วงก็อ น, นอนภาวนาก็ไม่ได้มีใครห้ามอะไรในเอริยาบถจังสียืนเดินนั่งนอนเราภาวนาได้แม้แต่เรามาทํางานเราไปยังภาวนาได้ภาวนาด้วยอะไรเพราะเรามีสติมีสัมปชัญญะสติแฝงว่าความระลึกได้สัมปชัญญะแฝงว่าความรู้ตัวว่าเวลานี้ขณะนี้เราทําอะไรเราทําหน้าที่การงานก็ทําำด้วยมีสติสัมปชัญญะ หน้าที่การงานที่เราทำที่เรารับผิดชอบมันก็จะกษ์สำเร็จร่วงว่งไปในพดีเขียนหนังสือก็จะไม่ผิดบวกเลขก็จะไม่ผิดทำอะไรก็ถูกต้องเพราะทำด้วยสติทำด้วยปัญญาดังนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถือว่าเรามีสมาธิในการทำงานไม่เพียงเพราะมีสมาธิพรนั่งสมนั่งภาวนาเท่านั้นทุกคนมีสมาธิทั้งนั้นกว่าว่าจะไปที่ไหนจะเดินไปที่ไหนไปทำอะไรต้องมีสมาธิเราจึงจะทำสิ่งนั้นได้ สำเร็จตามที่จิตเราต้องการหรือที่จิตของเราประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อเรามีโอกาสอย่างนี้เราได้มารวมกันแล้วมาตั้งใจเพื่อตั้งใจปฏิบัติได้กราบอราธนาพระสงฆ์ได้มาแสดงธรรมหรือมาให้ธรรมะข้อวัดข้อปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของพวกเราทั้งหลายให้อยู่ในพุทธคุณในธรรมคุณสังฆคุณซือหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติแล้วก็ขอให้ตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติสิ่งที่เราต้องการที่เรามาร่วมกันประพฤติปฏิบัติก็เพื่อให้จิตของเราสงบจากอาสวะกิเลสคือความกิเลสนั้นมันก็มีกิเลส ตัวใหญ่ๆอยสามตัวโดวยการคือความโลภ ค, ความโกรธความหลงนี่มันเป็นกิเลสตัวใหญ่ๆแล้วก็มีอีกสามตัวคือลาะโทสะโมหะนี่ใหญ่ๆอีกสามตัวนี่แหละมันจะเป็นเครื่องชักจูงจิตใจของพวกเราทั้งหลายนั้นให้หลงให้มัวเมาอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่าเนี้ยถ้าเราจิตใจเรามา หลงมัวมาอยู่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเราจะหาความสุขหาความสงบได้ตรงไหนเพราะในสิ่งที่เราทํามันไม่ได้ตามที่เราต้องการที่เราทํานั้นจิตมันก็เป็นทุกข์หาความสุขหาความสบายไม่ได้ส่วนเราละเว้นต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราพอใจเรายินดีในสิ่งที่เรามีอยู่ในสิ่งที่เราทําอยู่ เราพอใจในสิ่งนี้แค่นี้เราก็มีความสุขเพราะว่ากิเลสทั้งหลายเหล่านั้นมีจะดึงจิตดึงใจของเราให้ลุ่มหลงให้มัวเมาให้ตกต่ำไปในทางอบายหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์เพราะมันไม่ได้ตามที่จิตต้องการมันก็เป็นทุกข์ที่นั้นทุกข์กิเกวะทุกขประจําสังขารทุกขประจําสังขารก็ได้แก่เกิดแก่เจ็บตายนี่แหละทุกขประจําสังขาร มีปกณิณกะทุกคือทุกจอหรือว่าทุกภายนอกเข้ามาหาเราเอีกคือเรามีทุกเกิดจากญาติพี่น้องทุกจะเกิดจากเพื่อนพึง่งหาความทุกข์มาให้เราดังนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่จิตของเราจิตเป็นตัวผู้รู้เมื่อรู้แล้วก็ควรปล่อยควรละควรวางอย่ายึดอย่าติดต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ถ้าเรายึดเราติดมันก็เป็นทุกข์ไปตลอดให้เราจบคำว่าพอดีสายกลางคือมัจจิมาปฏิปทานที่ให้เรารู้จักพอนั่นเองดังนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ที่จิตของเราดงเดียวนี้แหละทุขก็ตามทุกข์ก็ตามมันอยู่ที่จิตของเร า, าเราทำจิตของเราได้ไหมเราปรับปรุงจิตใจของเราได้ไหม เราไม่ไปยึดไปติดต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่พอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่พอใจในสิ่งที่เราทำอยู่แค่นี้พอแล้วเราจะไปเห็นคนอื่นเขาดีฝ่าเราเยอะแย ะ, ะแล้วแต่อันนี้บุญบรารมีกุศลคุณงามความดีไว้ในอดีตที่ได้ทำไว้มาเกิดมาก็ได้ประสบ ความสุขความสาเร็จมีเพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างแต่เราไม่ได้เป็นเหมือนอย่างเขาเราสร้างบุญสร้างบา ร, รมีไว้น้อยในอดีตชาติมันก็มาให้ผลเราในปัจจุบันนี้แหละเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะเราทำคุณงามความดีไว้ในอดีตเมื่อตายแล้วก็ไม่ต้องไปอบิยพภูมิไม่ต้องไปตกนรกเราปิดประตูนรกเรามาเกิดเป็นมนุษย์ หรืออาจจะคุณทําสะสมคุณงามความดีไว้ทําให้ทุกภพทุกชาติที่เกิดมาเมื่อไรประทาคุณงามความดีนั่งใจประพุทธปฏิบัติให้ทานนักต้านซิ่งเจริญสมาธิภาวนาเราหนะ้จากโลกนี้ไปเราอาจจะไปเกิดเป็นเทพประบุเทพธิดาเป็นนางฟ้านางสวรรค์อยู่บนชันป้าน่นไม่ต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์ออบบก็เพราะบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้มำเพ็ินนั่นแหละแต่ว่า ถ้าเราไปทำไม่ดีเราก็จะต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิมอีกมาใช้เวรใช้กรรมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตใจของเราอยู่ที่ตัวเราคือการกระทาของเรานั่นเองไม่ได้อยู่ที่ไหนเราทำความดี เราก็ไม่ต้องรอให้ใครมายก ย, กยก่องสรรเสริญหรือมาชมว่าเราทำความดีเราทำของเราไปสม่ำเสมอเราเคยประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นทำคุณงามความดีในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งใดที่ไม่ชอบและไม่เป็นธรรมเราก็งดเราก็เว้นไม่กระทำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้แหละถึงจะไม่มีคนเห็นไม่มีคนรู้ แต่เรารู้เราเห็นเพราะเราเป็นคนทำเราไม่ต้องรอให้ใครมารู้มาเห็นให้เราเรารู้เองเห็นเองนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเราก็อยู่กันด้วยความเป็นสุขไม่มีฆ่าลานฟันแทงกันไม่มีเบียดเบียนกันไม่มีเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรม เขากําหนดไว้ให้แต่ละท่านแต่ละคนจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นมังก็ต้องเป็นไม่มีใครสามารถเกี่ยวกับฝืนกฎแห่งกรรมนั้นได้ฉะนั้นเราต้องทําความดีในปัจจุบันนี้แหละเพื่อจะเป็นเครื่องลบล้างสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในอดีตที่เราได้ทํามาแล้วแต่ว่าเวลานี้ขณะ น, นี้เราไม่ต้องไปคิดถึงในเรื่องอดีตผ่านมาแล้ว หรืออนาคตข้างหน้ายังมาไม่ถึงให้คิดในปัจจุบันขณะนี้เวลานี้เราทำอะไรอยู่ให้เราพิจารณาดูจิตของเราจิตที่เราบริกรรมภาวนาหายใจเข้าพุหายใจออกโทมันอยู่ที่พุโทโธไหมให้เราพิจารณาดูให้เราดูดูจิตของเราดูให้รู้ดูให้เห็น ดูให้เข้าใจหรือดูจิตสังขารหรือร่างกายดูตัวเรานี่ในตัวเรานี่มีอะไรบ้างให้เราพิจารณาเลยมีอะไรบ้างที่มันสวยมันงามมันมันคงทนมันสาวรจะอยู่ในสภาพเดิมอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงมีไหมให้เราดูให้เห็นเอาอะไรดูเอาจิตนั่นแหละดูอย่างอื่นมันมาดูไม่ได้เพราะจิตเป็นตัวรู้ก็ เ, เอาจิตนั่นแลหละเป็นตัวดูใจนั่นเป็นหน้าที่ สูบฉีดเลือดหล่อเลี้ยงร่างกายเบื้องต่ำแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงถึงปล <c oughs> ายผมเบื้องบนแต่ปลายผมถึงเบื้องเท้าเบื้องต่ำํำเพราะฉะนั้นจิตของเรานี่แหละเป็นสิ่งสําคัญทุกอย่างที่เรามีชีวิตมีหน้าที่การงานทําอยู่ได้เพราะจิตเราตัวนี้แหละที่มันฝักไปสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งสนใจทางไหนมันก็ แสวงหาสิ่งนั้นให้กับจิตแต่เวลานี้ขณะนี้เรามาแสวงหาบุญกุศลให้กับจิตคือทําจิตให้เป็นสมาธิทําจิตให้ตั้งมั่นให้ปล่อยให้ละให้วางต่อหน้าที่การงานหรือสิ่งต่างๆช่วงระยะเวลาหนึ่งมากําหนดดูลมหายใจเข้าของเราหายใจเข้าผู้หายใจออกผู้ ดูให้รู้ดูให้เห็นดูให้เข้าใจไม่ต้องไปดูที่ไหนดูที่ตัวเรานี่แหละที่เรานั่งนี่จิตเราเป็นยังไงบ้างจิตมันสงบไหมเรามีสิ่งที่ให้เป็นเครื่องกำหนดแล้วจิตมันอยู่ต่อสิ่งนี้ตลอดไหมจิตของเราสายแสออกไปสู่ภายนอกหรือเปล่าจิตไปคิดเรื่องอะไรหรือเปล่าดูจิตของเราไม่ต้องไปดูอะไรที่ไหนต่างคนต่างดูจิตตัวเองอย่าไปดูคนอื่น ต้องดูตัวของตัวเราเองเป็นสิ่งสําคัญแย่นั่งภาวนานั่งสมาธิโดยมากก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็จะให้เราหลับตาเราหลับตาเพื่ออะไรเพื่อเราจะไม่ให้เรามองเห็นอากับกิริยาอาการต่างๆของคนที่อยู่ใกล้ตัวเราอยู่ข้างหน้าเราคือนั่งแต่ละท่านแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปมีอาการเอียงซ้ายบ้างฝาบ้างนั่งงุกไปงุกมามาก คือสิ่งทั้งหลายเราเนี่ยจึงนั่งเราหลับตาก็ภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรึกพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจของเราเนี่แหละไม่ต้องไปนึกอะไรที่ไหนทําให้จิตมันสงบทําให้จิตเป็นเป็นสมาธิให้จิตของเราให้ตั้งมั่นให้ได้ให้ปล่อยให้วางสิ่งภายนอกทั้งหลายให้ได้ไม่ได้แม้นจะเป็นของยากหรือเป็นของลำบากถ้าเรามีความสนใจเรามีความใส่ใจ สิ่งอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอุปสรรคเราต้องทำได้ถ้าเราทำไม่ได้เราจะให้ใครมาทำเราต้องทำให้ได้จะได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรคือเราสะสมคุณงามความดีเจีละเล็กทีละน้อ ย, ส, อยสะสมไปปบ่อยๆสะสมไปมันก็มากขึ้นเพิ่มขึ้นวันนี้เราสงบแค่สองนาทีนั่งไปแล้วจิตใจมันคงสัานมาสงบเขาต่อไปนั่งเอาได้เพิ่มมาอีกเป็นสามนาที มันก็จะเพิ่มเรื่อยๆขึ้นไปอย่างนี้ทุกอย่างมันก็ต้องค่อยทีค่อยอาศัยค่อยเป็นค่อยไปเปเริ่มปกติธรรมดาของจิตจิตมันเป็นตัวผู้รู้แล้วรู้แล้วก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาสํารวจตรวจตาในสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเรานั่นแหละใช้ปัญญานั้นปัญญานั้นเป็นตัวพินิษพิจารณาสํารวจตรวจตาให้ทีให้รู้เห็นให้รู้เท่าทันเพราะสังขารร่างกายเนี่ย มันไม่มีอะไรจี่รังยั่งยืนหรอกเกิดขึ้นแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในที่สุดมันไม่ได้อยู่อย่างนี้เมื่อเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยังมีโอกาสที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีจเจริญสมาธิภาวนาตามหลักธรรมคำสอนในตามพระพุทธศาสนาก็ขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นจงตั้งใจทีนี้พิจารณาสำรวจตัวตาดูจิตของเราว่าจิตเราเป็นอย่างไร กูแม่กูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านกับมาพืชปฏิบัติท่านทํามาแล้วเราก็จะได้สราบประวัติกูแม่กูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านตั้งใจมาพืชตั้งใจปฏิบั ต, ติเพราะสมัยก่อนกับปัจจุบันเราเอามาเทียบกันไม่ได้สมัยก่อนกูแม่กูบาอาจารย์นั้นได้ออกเดินทุดดงเข้าป่าก็ปาก่ปาจริงๆเดินก็เดินจริงๆไม่ใช่ว่าทุดดงนั่งรถไปทุดดงไม่ใช่อย่างนั้นเดินก็เป็นวันวันเป็นเพียงคืนจะไปกราบกูบาอาจารย์แต่ละที่เดินจากจันทบุรี ไปโน่นซึ่งไปสกลนครเพื่อจะไปกราบหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยหลวงปู่กงมากับหลวงพ่อเวทีอย่างยังเป็นสมณี น, นอยากจะไปกราบหลวงปู่มั่นอืมเมื่อเกิดศรัทธาความเริ่ิมใสมก็เดินทางจากจันบุรีไม่ใช่ของใกล้ๆเพื่อจะไปสกลนครได้หนึ่งไกลแสนไกลไม่มีรถมีลาเหมือนปัจจุบันนี่เราคิดดูก็แล้วกันท่านมีความอดทนขนาดไหน มีความเพียรขนาดไหนที่เดินทางด้วยความทุลักทุกเลทุรักกันดานทุกอย่า ง, างเข้าป่าเข้าดงไปเป็นวันๆหาบ้านคนมันทีไม่เจอนั่นแหละท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติท่านมาทำอย่างจริงจังไม่ทอแท้แม้จะยากลาบากก็ตามแต่เราทุกวันนี้สบายอยากจะไปกราบผู้มาจารย์ที่ไหนก็มีรถไปอย่างสะดวกสบายไปกราบแล้ว แล้วเราได้อะไรมาบ้างต้องพิจารณาด้วยนะไม่ใช่ไปกลับแล้วครูบาอาจารย์ให้อะไรมาแต่ว่ากลับมาแล้วก็าทิ้งไว้ที่วัดไม่ได้กลับมาเลยอืมเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยสิ่งใดที่ดีแล้วท่านให้มาเราก็ควรนําออกมาใช้ในชีวิตประจําวันจะมากจะน้อยไม่เป็นไรเมื่อไปแล้วก็ไม่เสียเวลาเปล่าไม่จะเสียเวลาอย่างเดียวเสียเงินด้วยอืมเพราะว่าไปก็ไม่ได้ไปฟรีฉะนั้นก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ตามสัจธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้านั้นสอนของจริงไม่ได้สอนของเทียมท่านพูดของจริงทั้งนั้นดีสักกว่าดีชั่วสักกว่าชั่วดีก็ให้ประพฤติปฏิบัติชั่วก็ให้ละให้เว้นให้ปล่อยให้วางเพราะนรตรงสอนอย่างนั้นแต่เราจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้อยู่ที่ตัวเราแต่ละท่านแต่ละคนเพราะว่าบังคับกันไม่ได้มาเราต้องบังคับ จิตใจของตัวเราเองไม่มีใครมาบังคับใจิตใจของเราได้ตัวเรานั่นแหละต้องบังคับได้ถ้าบังคับไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อยู่ที่ตัวของเราใจิตใจของเราไม่มีใครจะมาทำให้เราได้เราต้องการเราก็ต้องทาเองทำในตัวของตัวเองฉีนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต่อ น, นี้ไปขขอให้ทุกท่านสำรวมกายสารวม ใจกำหนดจิตพิจารณาอาณาปานสติคือการภาวนาหายใจเข้าออพูหายใจออกโทพุทโทพุทธโทจนกว่าจะ <c oughs> หมดเวลาเมื่อถึงเวลาก็จะได้บอกให้ฉะนั้นการที่ได้ให้ธรรมะคือสัจธรรมคำสอนที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ นำมาถ่ายทอดให้ศรัทธายาตยมทั้งหลายได้สะดับต่อฟังเพื่อเป็นเครื่องพินิพิจรารณาแล้วนึ่งใดที่เห็นว่าพอเหมาะพอควรที่เราสามารถจะนำไปปฏิบัติได้ก็ให้นำไปปฏิบัติต่อ น, นี้ไปก็จะของดการใช้เสียงให้ทุกท่านตั้งใจภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนะจนกว่าจะถึงเวลา